สนทนาธรรมใต้ร่มโพปีหนึ่งผ่านไปยังอยู่ในเพศนี้ตอนนั้นได้ทำอะไรกับสังคมหรือว่าได้เอาความรู้ที่มีไปใช้ตรงนั้นร่วมกับธรรมะยังไงอะเจ้าคะ่ะตอนนั้นก็มีงานอยู่สองอย่างที่ได้เริ่มทำขึ้นเพิ่มเติม อย่างแรกคือเรื่องการอนุรักษ์ป่าเพราะวะัดเทตมาอยู่คือวัดป่าสุกโตก็มีป่าอยู่500ไร่เป็นป่าซึ่งซึ่งอยู่ท่ามกลางไร่ไร่หมันไร้ข้าโพดเป็นป่าประเภทอะไรเจ้าคะมันเป็นป่าดิบแหง้งคือข้างบนเนี่ย แ, แต่ก่อนมันก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากประมาณปี1 0ึ่งศเนี่ยหนึ่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์มากแต่ตอนเทตมาไปอยู่ที่นั่นแล้วเนี่ยสอเนี่ย รอบรอบวัดเนี่ยมันกลายเป็นไร่มันสับหลังไร่ขาูขาวโพดข้าวบุ ก, ก, บ ก, กลุกขา้าวปลีข้าวไผใช่ oh. ก็เหลือแต่ยอมป่าอยู่สองสามยอ ม, ยอมหนึ่งคือวัดป่าสุกโตอีกยอมหนึ่งคือวัดป่ามหาวันนั้นวัดป่าสุกโตเนี่ยก็จะมีคนมาตัดไม้บ้างยิงสัตว์บ้างไฟป่าเข้ามาบ้างนั้นหน้าที่หนึ่งที่เราทําก็คือว่าช่วยดูแลป่า ไอ้ตมาก็เริ่มมาทำงานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติเอาอะไรไปป้องกันตัวเองเจ้าคะเขาปืนนะเจ้าคะชาวบ้านเนี่ยเขาไม่คิดจะสู้อะไรกับพ่า<笑>ใช่ไหมคือเขาเห็นเราเขาก็หลบแล้วเว <c oughs> ลาไปไหนเวลาเข้าไปในป่านเนี่ยเพียงแค่เราทําเสียงสอบ飒สบสานเนี่ยเขารู้เขาก็หนีไปแล้วเพราะคนที่ต่ำมากคือคนในหมู่บ้านซึ่งเขาก็เห็นหน้าเราเขาก็อายใช่ไหมเขาก็พยายามหลบไม่มีการจะมาจะยิงต่อสู้อะไรกัน ท่านคะแล้วป่าไม้อย่างนั้นไม่มีกรมป่าไม้หรือพวกอุทยานแห่งชาติไปดูแลหรือเจ้ะตอนนั้นยังไม่มีตอนหลังปี3ามสี่นก็เริ่มมีการตั้งสํานักงานป่าไม้อยู่อยู่บนเขาเริ่มประมาณปี3ามแต่ตอนที่ทมาว่านี่ประมาณปี27ง็ดก็ยังไม่มีวัดก็ต้องช่วยตัวเองแล้วก็และต่อมาเมื่อถึงแม้จะมีสํานักงานป่าไม้อยู่ ก็ทํางวัดก็ต้องช่วยตัวเองอยู่เหมือนเดิมที่นี้ตมาก็เริ่มทําเรื่องการอนุรักษ์ป่าตับหลวงพร้อมเขียนซึ่งท่านเป็นผู้นําในเรื่องนี้ณปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างป่าวัดและชาวบ้านเนี่ยดีขึ้นไหมคะถ้าเป็นช่วงต้นๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าช่วงเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ดีขึ้นทั้งสองวัดคือวัดป่าสุกโตะแก้ปัญหาง่ายๆนะคือสร้างกําแพงล้อมล้อมวัด อป่าซึ่งความกว้างกาแพงความยาวของกาแพงก็มาสี่กิโลก็ไม่เหลือบากระแรงเท่าไหร่งั้นต่อไปคนจะเข้ามาตัดสมุนไพรตัดไม้หรือว่าจะมาจุดไฟในป่าก็ไม่ได้ยากเลยหลังนี้ว่าป่าสุขโตก็จะสบายหน้าที่ของเราคือปลูกป่าเลยเพื่อซ่อมแซมส่วนที่มันเคยเป็นทุ่งหญ้าหรือเป็นป่าเสื่อมโทมป่ามหาวันกับชาวบ้าน ที่อยู่ ใ, ใกล้ๆวัดเขาก็ร่วมมือมากขึ้นแต่ว่ากับชาวบ้านอื่นๆซึ่งเขามาจากที่อื่นแล้วเขาก็มาอยู่เพียงชั่วครั้งช่วคราวหรือชาวบ้านที่อยู่ไกลออกไปแต่ว่ามายิงสัตว์มายิงหมูพวกนี้เนี่ยยังเป็นปัญหาอยู่คือเขาไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆเขามาจากที่อื่นคนในพื้นที่เนี่ยให้ความร่วมมือดีขึ้นเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเขาก็มาร่วมกัน เป็นกำลังในการรักษาป่าอาสาสมัครบ้างหรือว่าบางทีเราก็จ่ายเบ้เลี้ยงให้ราคาก็ถูกถูกให้เขามีไรายได้พอที่จะยังชีพอยู่ได้ตอนนี้ก็ก็ดีขึ้นแล้วก่อนที่วัดจะมีกำแพงล้อมรอบรั้ววัดเนี่ยนะคะหรือว่าชาวบ้านจะมาให้ความร่วมมือเนี่ยช่วงนั้นนะคะก่อนที่มีท่านเริ่มโครงการอนุรักษ์ ป่าเนี่ยท่านใช้วิธีอะไรที่จะบอกหรือว่าชี้แนะให้กับชาวบ้านได้ทราบถึงคุณหรือว่าโทษยังไงเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่าคะการเทศก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ว่ามันได้ผลน้อยเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาถูกแรงผลักดันทางด้านเศรษฐกิจทำํำไมเขาต้องมาบุกลุกป่าทำไมก็ต้องมายิงสัตว์การบลูกลูกป่านเนี่ยเเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาชาวไร่ เขาต้องการวิธีการเพิ่มรายได้ของชาวบ้านเนี่ยก็คือการเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มผลผลิตของชาวบ้านเนี่ยก็คือการขยายเนื้อที่ซึ่งมันเป็นวิธีที่โบราณคือถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเนื้อที่เท่าเดิมแต่ว่าสามารถทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้โดยการใช้เทคโนโลยีแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ไม่รู้เทคโนโลยีและเขาไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นเขาต้องการเพิ่มผลผลิตเนี่ยเขาก็ต้องขยายเนื้อที่ก็คือต้องไปบุกลุกป่า เราก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของชาวบ้านสิ่งที่เราพยายามทำในช่วงที่มาอยู่ใหม่ๆคือพยายามส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาเปลี่ยนวิธีการผลิตจากการทำผลิตเพื่อขายมาเป็นการผลิตเพื่อบริโภคเพื่อยังชีพเป็นเบื้องต้นก็นนนคือผลิตอะไรคะมันข้าโพดมันข็าโพดแล้วก็ต่อมาคืออ้อยพวกนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยทำแล้วไปขายราคามันตกราคามันตกเขาก็ ขาดทุนใช่ไหมการผลิตเพื่อค้างชาวบ้านจะลงเอยแบบนี้ก็คือว่าในสือก็ขาดทุนหรือได้กําไรนิดเดียวไม่จะเป็นข้าวไม่จะเป็นมันสำปะหลังข้าวโพดอ้อยเพราะฉะนั้นนี่เราก็พยายามบอกว่าการที่คุณผลิตเนี่ยเพื่อไปขายเนี่ยมันเสพเกี่ยวเขาแล้วมันทำให้เป็นนิสิตวิธีที่จะลดนี้สิตคือว่าซื้อน้อยลงก็คือมาทําทเกษตรผสมผสานปลูกผักหรือว่า เลี้ยงปเป็ดเลี้ยงไก่อะไรไปตามเรื่องคือผลิตเพื่อการบริโภคจะทําให้ลดรายจ่ายรายได้จะมีไม่มาก <c oughs> แต่ว่ารายจ่ายก็ไม่จะน้อยลงไปเรื่อยๆซึ่งจะทําให้การเป็นที่สินน้อยลงเราก็เอาที่วัดนี่แหละมาเป็นแปลงสาธิตส่งเสริมชาวบ้านปลูกพักปลูกเกษตรผสมผสานปลูกผลไม้แต่ว่ามันไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเป็นดีมาก เมื่อ เ, เป็นนี่มานเนี่ยเขาร้อนเงินวิธีอะไรที่ทําให้เขาได้เงินเร็วๆเขาก็จะทําไอการเกษตรผสมผสานเนี่ยมันได้เงินช้ารายจ่ายมันน้อยลงก็จริงแต่ว่าได้เงินน้อยได้เงินช้าเอาผักไปขายก็ได้ไมาสิบบาท20บาท30บาทก็ยังชีพเลยไม่เหมือนเอามันเอาไปขายทีหนึง่ง5ตัน10ตันเนี่ยมันได้มาเจ็ดแปดพันหมื่นึงเนี่ยแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาร้อนเงินเพราะนั่นเขาจะไม่ไม่ค่อยมีความศรัทธาหรือความเพีย ที่จะทำเกษตรผสมสารสองเกษตรผสมสานต้องใช้แรงเยอะต้องดูแลใจใสปลูกมันสับปะรดเนปลูกทิง้ ง, งนะตรองการที่สามก็คือว่าชาว บ, บ้านเขายังยังต้องการเงินสำหรับการไปซื้ออะไรต่างๆมากมายเช่นรถเครื่องตู้เย็นหม้อหุงข้าวอะไรพวกเนี้ย คือข้าเนียแบบบริโภคมันเริ่มเข้ามาในหมู่บ้านแล้วเพราะฉะนั้ น, นหมู่บ้านนั้นมีประมาณคนเยอะไหมเจ้าค่ะมันมีสองคุ้มลนทั้งหมดก็ประมาณร้อยหลังคาเรือนแล้วเขาเนี่นิสัยอย่างนี้เยอะเลยนะเจ้าค่าก็ยากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสุก็ทําไปได้สักพักก็ไม่สําเร็จก็เลยเลิกไปทำเหมือนเดิมก็ปลูกพืชเพื่อขายเพื่อเศรษฐกิจเปลี่ยนเปลี่ยนชนิดจากมันสัมพันหลังมาเป็นอ้อยจากอ้อยมาตอนนี้ก็เริ่มเป็นจังพลา แต่ยังพาราชาวบ้านไม่มีกําลังที่จะที่จะทำหรอกก็เปลูกจ้างกขาพยางพารานี่กว่าจะให้ผลก็หปีชาวบ้านก็ไม่ไหวฉั้นชาวบ้านเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็ต้องไปรับจ้างไปรับจ้างทํางานรายได้ของเขาเนี่ยสมมุติ100ยบาทเนี่ยไอการปลูกพืชเศรษฐกิจเนี่ยให้รายได้เขาเพียงแค่40บาทอีหก60บบาทก็ต้องไปหากินนอกหมู่บ้านรับจ้างตัดอ้อย กลายเป็นรับจ้างไปแต่ก็อยากทำอยู่ใช่ไ้มคะพวกไร่นานสวนผสมอะไรเดี๋ยวนี้ก็ทำน้อยนะนี่คือเมื่ อ, อสักยี่สิบปีที่แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะตอนนี้เราก็พยายามจะเริ่มพยายามส่งเสริมใหม่ส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยเขาลดรายจ่ายด้วยการใช้สารเคมีให้น้อยลงเพราะเดียนี้ปุ๋ยยาฆ่าแมลงเนี่ยยาฆ่ายาเนี่ยเป็นรายจ่ายหลักของเขาเดี๋ยวนี้ แม้กระงปลูกมันเนี่ยก็ต้องใช้ยาใครยาแล้วทังนั้นนี่โครงการอนุรักษ์นี่ประสบความสําเร็จใช้เวลานานไหมคะกว่าที่ชาวบ้านเขาจะเข้าใจก็อย่างสุกโตนี่ก็20ปีนะตอนนี้ก็มันเริ่มป่ามก็เริ่มขึ้นมาใหม่แต่จริงๆปัญหาต่อหลังของสุกโตหรือของผู้หลงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญหาจากชาวบ้านมาตัดไม้แต่เป็นปัญหาคือไฟไฟซึ่งชาวบ้านเองเขาก็คุ ม, มไม่อยู่เหมือนกัน<ม>ให้หน่วยงานไหนมาช่วยนะเจ้าคะก็วัดกับชาวบ้าน หน่วยงานวัดกับชาวบ้านออคือจะหวังพึ่งราชการไม่ได้คือการรุกรัดป่าอะไรอย่างนี้เขาไม่ไม่เข้าไปเลยน้อยและปัญหาหนึ่งคือว่าเจ้าที่เราลูกจ้างไม่กี่ถูกพาไปดูแลที่อื่นเพราะว่าเปนขาดคนก็ไปรัดตะเวนที่โน่นที่นี่บ้างใช่ไะมพอไฟมาก็ไม่มีใครไม่มีเรื่องชาวบ้านค่ะอธิฟังฟังมาเนี่ยเหมือนกับเป็นพระนักพัฒนาแต่ว่า ผลงานที่ท่านออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทางด้านปฏิบัติซะส่วนใหญ่เลยไปยังไงมายังไงถ้ดูดูเหมือนกับจะพัฒนาบุคลากรพัฒนาทรัพยากรทําไมมากลายเป็นเป็นเรื่องบรรยายธรรมะได้ยังไงเจ้าคะอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งคือเมื่อตามาเนี่ยได้ประสบการณ์จากการบวชแล้วก็ก็รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ คนยังขาดอยู่คือเรื่องของมิตินัานจิตใจทุกวันนี้เนี่ยคนทํางานด้วยความทุกข์ประสบการณ์ของธรรมาเองก็เป็นเช่นนั้นก็อยากจะนําเอาธรรมะเนี่ยเข้ามาโยงกับชีวิตจริงของคนที่ทํางานหรือว่าคนในเมืองเฉะนั้นตอนลังเนี่ยตั้งแต่ปีแรกๆเลยเนี่ยธรรมาก็จะได้รับนิ ม, มนต์ให้ไปพูดปีแรก <ทำ S 2> เลยนะใชไหมคเป็นปีแรกๆเพราะว่าตอนที่เป็นคารวาสเนี่ย ก็มีงานพูดงานเขียนตอนนั้นมีเขียนตั้งแต่ย <hi> ังเป็นคาราวาสเลยตอนนั้นเป็นงานแนวไหนเจ้าคะก็เป็นงานแนวเรื่องการพัฒนาสังคมเรื่องเรื่องสันติวิธีแล้วก็มีเรื่องธรรมะแต่เป็นเรื่องธรรมะแบบแนวคิดแบบพุทธเช่นเป็นเรื่องการพัฒนาแบบพุทธการเอาประเพณีแบบพุทธนี่มาส่งเสริมงานพัฒนาคือตอนนั้นเนี่ยจะมาอยู่ในใบวงเรียกว่างานพัฒนา แล้วตวมาก็ชื่อเรื่องแนวคิดแบบพูดเรื่องการพึ่งตนเองเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมาบวชเนี่ยก็ยังได้รับนิมนต์ให้ไปพูดแต่ว่าเรื่องที่พูดส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะละคือเนื่องจากตมาได้เห็นอนิสงส์ของสติก็เอาเรื่อ ง, องสตินี่มาพูดให้คนให้เขาเห็นว่าจริงๆถ้ามีสติเนี่ยสตินี่มันอนิสงส์มากทั้งในการทํางานทั้งในการดําเนินชีวิตน้อยไม่หลับ ถ้าคุณมีสติเนี่ยคุณก็จะหลับง่ายขึ้นพระอาจารย์เริ่มเห็นจากตัวเองแล้วเป็นการถ่ายทอดมันได้เห็นชี้แจงให้คนเห็นเพราะว่าตัวพระอาจารย์ค่อนข้างหนักแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างถ้าฟังดูแล้วเนี่ยเป็นคนคล้ายๆตั้งใจจริงมันก็เลยทำให้เครียดมากแล้วดูเหมือนกับถ้าคนแวดล้อมที่มองบอกคนนี้เจ้าโทสะจังเลย ใ, ใจร้อนใจร้อนอแล้วมาทำยังไง เ, เย็นลงได้เนี่ย มันเห็นถึงความแตกต่างอะคนโกรธง่ายแล้วมันมันดับโกรธได้อืแล้วเริ่มช่วงแรกจําวันแรกที่บรรยายในตอนที่เป็นเพศมันพชิดได้ไหมเจ้าค่ะว่าวันนั้นเรื่องอะไรอ่ะเจ้าค่ะก็ให้ไปพูดเรื่องประสบการณ์การปฏิบัติธรรมประสบการณ์การปฏิบัติธรรมตอนนั้นก็บวชมาได้สักหลายเดือนแล้วนะเจ็ดเดือนแล้วคือช่วงบวชใหมายหม่ต่อมาไม่รับงานนะ ตั้งแต่ไม่รับงานเลยจนกระทั่งเข้าพรรษาเนี่ย mm hmm. เข้าพรรษานี่ mm hmm. ก็เรียกว่าปฏิบัติแบบอย่างเต็มที่หนังสือก็อ่านน้อยมากแทบจะไม่อ่านหนังสือเลยคือจะปฏิบัติแบบเข้มอาจจะมีตอบจดหมายอะไรบ้างแต่ว่ามีตอบจดหมายมีคนถามจดหมายด้วยเรยเจ้าคะคุยจดหมายเรื่องทุระเรื่องงานเรื่องการก็ยังมีอยู่อ๋อ oh, ยังไม่ตัดเดียวแต่ว่าจะไม่ค่อยมีงานการพอเริ่มมีงานการเนี่ยออกพรรษาแล้วคือจะมาอยากจะพาหนุ่มสาวเข้าวัด ก็จัดทําโครงการเรื่องพุทธศาสนานกับคนหนุ่มสาวโอโปรเจกต์ oh, <Project S 2> ใหม่มอีกแล้วอมีเริ่มแล้พุทธศาสนาคนหนุ่มสาวพาคนมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุกโตไปดึงใครมาจะก็แวดวงสมาชิกชุมนุมพุทธนักปฏิบัติแล้วก็พวก NGO นจีโอคือเรามีเครือข่ายที่ชุมนุมพุทธใช่ไหม oh. อาตมามีลูกน้องชุมนุมพุทธ <c oughs> แล้วก็มีเครือข่ายที่เป็น NGO นีโอที่อาตมาเคยทํางานแล้วก็บอกว่าเรามีโครงการอย่างนี้ มัมีการจัด บ, บรรยายพุทธศาสนาคนหนุ่มสาวในมิติต่างๆนี่มนหลวงพ่อมังเกยดมาพูดมีมีเข้ามาเยอะไม่จำก็าค่ิก็ 30-40 คนแต่แล้วก็จัด บ, บรรยายมาที่กรุงเทพประมาณสัก4ีหครั้งแล้วก็เสร็จแล้วจุดสุดท้ายก็บอกว่ามาปฏิบัติธรรมกันที่วัดปาสุกโตประมาณ7วันจำได้ก็เป็นเดือนธันวาสอหนาวมากเลย ตอนนั้นมองเห็นปัญหาอะไรกันทำไมถึงเลงไปที่หนุ่มสาวว่าต้องเข้าไว้เพราะว่าส่วนใหญ่หนุ่มสาวจะไม่ค่อยมองเห็นถึงคุณค่าของการเข้าวัดเข้าวัดใช่แต่ว่ามันจะมีพวกที่เสียเรียกับชีวิตมีอยู่พวกที่ทํากิจกรรมเพื่อตะมาในใจพุ้นคือในแวของผู้ที่ทํากิจกรรมทั้งที่เนักศึกษาทํากิจกรรมค่ายทากิจกรรมพวกสลามทํากิจกรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมพวกชุนุพุทธด้วยแล้วก็พวกเอ็นจก็จะรู้จักคนพวกนี้ก็แนะนําขาเข้ามา ก็เขาก็มาปฏิบัติเสียงตอบรับนะคะก็ดีนะหลายคนก็เริ่มหันมาสนใจการปฏิบัติธรรมมากขึ้นบางคู่ก็แต่งงานกันเอาคู่มาในงานสองสมคู่ก็ยังโน้มไปในทางเรื่องของการปฏิบัติธรรมเดยทุกวันนี้ใช่ไหมปฏิบัติธรรมนี่เน้นให้เขาปฏิบัติยังไงคะนั่งสมาธิหรือว่าที่ให้ใช้ทิพเทียนแต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ถึงกับมากนะแต่ว่าความสนใจเช่นการอ่าน การเอามาใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยก็มีอยู่เริ่มกิจกรรมแบบนี้ใช่ไหมแล้วตมาเขานิมนต์ไปพูดอย่างเช่นไปพูดเรื่องประสบการณ์การปฏิบัติธรรมก็ไปพูดคนก็ไม่เยอะแต่ว่าก็เริ่มมีความสนใจแล้วก็คือตอมาขยันเขียนด้วยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพูดก็เอามาเขียน เอาเขียนก็นมาพิมพ์หนังสือคน<ล>ก็เริ่มสนใจแล้วพิมพ์งานพิมพ์ที่ออกมานี่ในในหมู่แวดวงตรงไหนคะจะหาซื้ออ่านหรือแจก อ, อยังไงเจ้าค่ะคือตอนนั้นเนี่ยอาตมาอยู่ใกล้ชิด ก, กับมูลนิธิหนึ่งคือมูลนิธิโกมังคีทองอ๋อปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในเครือข่ายพุทธการอาตมาก็เคยช่วยพิมพ์หนังสือให้กับมูลนิธิโกมังคมทองเกี่ยวเรื่องาศาสนาอยู่นะแล้ ว, ลวก็ตอนหลังเราก็ ทามือที่ก็พิมพ์หนังสือของอาตมาด้วยแล้วก็มีปี2องเจ็ามือที่ก็นิมนต์อาตมาไปเป็นองค์ปาทกประจําปีของมูลนิธิกรมกิมทองก็ไปพูดเรื่องว่าแสวงหารากฐานของชีวิตในโลกแห่งกิจกรรมชื่อมันก็ไปกระทบใจคนที่ทํางานกิจกรรมว่าการทํากิจกรรมนี่มันต้องมีรากฐานชีวิตด้วยหรือแล้วก็ได้ทราบว่า เมื่อพิมพ์ปฏกถาชุดนี้คือตะมาเขียนก่อนเขียนก่อนแล้วพิมพ์เป็นเล่มเกือบร้อยหน้าร้อยหน้าแต่ตอนนั้นมันเป็นตัวใหญ่เ น, นะตัวขนาดเนี่ยนะอาจารย์ได้ข้อมูลมาจากไหนเจ้าคะมันมากมายเหลือเกินก็แนวคิดทางพุทธศาสนาเช่นแนวคิดเรื่องอธิษฐานธรรมอธิฐานธรรมเนี่ยกคือเรื่องอธิฐานนี่หมายถึงว่าการมีจิตที่ตั้งมั่นการมีจิตที่ตั้งมั่นคือต้องมีปัญญามีสติมีสมาธิ แล้วก็มีความสุขอะไรพวกนี้ด้วยเข้ามามก็เอาแนวคิดนี้เข้ามาเขียนให้มันร่วมสมัย <c oughs> แล้วก็พูดถึงปัญหาของนักกิจกรรมว่านักกิจกรรมเนี่ยเขาถ้าหลักฐานชีวิตไม่มั่นคงคือไม่มีมิติด้านจิตใจเนี่ย <c oughs> เขาจะทำงานได้ความทุกข์หรือเขาจะทำงานได้ไม่ต่อเนื่องเพราะว่าหมดแรงหมดสภาพป่วยเครียดหรือไม่เช่นนั้นเขาก็จะถูกกิเลสหลอกพาไปจนกระทั่ง ทำงานเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อสังคมแต่ทําเพื่อตัวเองอใช่ไหมนี่ก็พยายามพูดตรงนี้อ่ะแล้วก็ก็บอกว่าทํางานต้องมีความสุขนะแล้วความสุขเกิดขึ้นได้ต้องมีสติก็โยงมาอย่างเนี้ยคนอ่านเขาก็เริ่มน้อมมาทางนี้มากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะที่ได้ยังไม่ใช่แค่เฉพาะนะักกิจกรรมอะเจ้าค่ะเพราะคนพูดเนี่ยบอกว่าให้ลงมาที่ตัวฉันหน่อยก็จะตั้งใจฟังแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเอามาใช้ได้ทั้งหมดเลย ใช่แต่ว่าต่อมาเนื่องจากใกล้ชิดกับคนพวกนี้ก็จะรู้ปัญหาอุปสรรคของเขาวันนี้เนี่ยเขเป็นคนมีอุดมคติใช่ว่าเขาไม่คงอุดมคติแต่ก็ต้องการเน้นว่าคุณอุดมคตียงคุณเนี่ยมันจะไม่ผันแปรถ้าเกิดคุณมีมิติด้านจิตใจซึ่งพุทธศาสนาเนี่ยมีคําตอบให้มีแนวทางให้ก็ได้ทราบว่าหลายคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้ก็เกิดความประทับใจแล้วจิตใจก็โน้มมาเรื่ององการ ปฏิบัติธรรมหรเรื่องของพุทธศาสนามากขึ้นปัจจุบันยังมีตีพิมพ์อยู่ไหมเจ้าคะไม่ได้ตีพิมพ์มาสิกว่าปีแล้ว mm hmm. เพราะว่ากลายเป็นปหนังสือเฉยไปซะแล้วจริงๆนี่เรื่องใหม่ๆของพระอาจารย์เนี่ยขึ้นมาอีกเยอะเหมือนกันใช่เพราะว่าต้อมาเขียนหนังสือเร่อนั้นเมื่อย <27 S 2> ุยย27สิเองซึ่งบัวได้แค่ภรรษาเดียวโอ้โ oh, ้วก็ปัจจุบันนี้มันก็มีอะไรใหม่ๆที่จะพูดแล้วหนังสือที่บทความทุกอย่างนี่ พระอาจารย์มีเป็นแหล่งศูนย์กลางที่ตัวพระอาจารย์เองเลยไห่เจ่าคะอย่างคนเขาต้องการเนี่ยอยากอยากได้งานของพระอาจารย์ออกไปตีพิมพ์เพื่อเป็นธรรมทานอย่างเงี้ยคะ่ะคือมันก็ค่อนข้างกระจกะจายนะระยะหลังเนี่ยก็เริ่มมีหลายสนพิมพ์ขอไปพิมพ์เอาบทความเก่าๆแต่ส่วนให ญ, ญ่เก่าๆในที่นี้ก็คือไม่ไม่เกินปีสี่ศ คือบทความในช่วง10ปีหลังนี้ก็เริ่มมีคนมาขอไปพิมพ์แต่มันก็ไม่ได้ทั่วถึงนะเพราะว่าที่ไม่ได้ตีพิมพ์ก็มีอีกเยอะมันที่ไม่ได้ตีพิมพ์รวมเล่มนะแต่ว่าส่วนใหญ่ยังก็จะตีพิมพ์เป็นวารสารอยู่ในวารสารอยู่นนหนังสือพิมพ์วารสารอะไรบ้างเจ้าค่ะมันก็เป็นวารสารแบบใบบุ้งเล็กๆอของพวกเอ็นจีโบ้างหรือว่าของหนังสือพิมพ์ที่อาจจะเผยแพร่พวางขายในตลาดแต่ว่าลงครั้งสองครั้งเช่นนทิทยสารครัวเคยได้ยินนะ แล้วสั่งคุยซีอะไรเงี้ยก็ข้าไปอยู่ในนั้นได้เขาบอกบทความบอกว่าขอบทความไปตีพิมพ์หน้าสุดท้ายอะไรเงี้ยคือเขาจะไปขอบทความจากคนที่น่าสนใจซึ่งมันก็มีเยอะในเมืองไทยใช่ไหมก็ขอมาเปลี่ยนไปเล่มนอกคนเล่มละคนแล้ว่าที่พิมพ์ประจําก็มีนะซึ่งสนใจก็มักจะมีการตีพิมพ์เป็นเล่มเช่นมติชนสไลายวันแล้วก็สารคดีจนปัจจุบันนี้ ก็<ส>มติชนรายวันก็มีออกวันไหนอะเจ้าคะ่ะออกอาทิตย์ที่สของเดือนอาทิตย์ที่สของเดือนอ<า>แล้วยังมีเอาในเนื้อหาตรงนั้นเอามาไว้ในอินเทอร์เน็ตก็เยอะใช่เยอ ะ, <น>ะเจ้าคะ่ะแล้วก็มีทั้งแบบหลายหน้าหรือไม่ก็ขอ้อความสั้นๆใช่สองหน้าก็าาาติดต่อมายังไงเจ้าคะก็เป็นเพื่อนบ้างส่วนใหญ่เนี่ยแตมาจะล็อกเขียนให้ก็เพราะว่ารู้จักกันมาก่อนหรือไม่ก็ เขสนใจที่จะพิมพ์อย่างต่อเนื่องแล้ะแต่มามีเวลาให้แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะรับให้กับที่อื่นส่วนใหญ่ที่จะรู้จักกันในฐานะที่เป็นเพื่อนแล้วก็มาขอเช่นสารคดีแล้วก็ตอนหลังก็มีอย่างแม้กระทั่งที่เจสันอิมเมจนี่ก็มาขอส่วนใหญ่งานเก่งก็จะเป็นการให้กําลังใจให้ธรรมะให้ในการเจริญสติอย่างวิธีทําใจหนักแค่ไหนก็ไม่ทุกหรือว่ายวนน้ําอะไรองี้ค่ะแล้วยังไงคะริกผัานยังไงถึงมาถึงเรื่องของความตายได้ อย่างเหนือความตายเนีคะทำไมถึงพลิกมาเป็นเรื่องความตายเลยคะช่วงหลังๆนี้เป็นเน้นเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะาอาตมาสนใจเรื่องความตายโดยส่วนตัวมานานก็เช่นเดียวคนทั่วไปเวลาคิดถึงความตายแล้วก็จิตใจแล้วก็หวั่นไหวอาตมายังจําได้เมื่อช่วงปี18เนี่ยตอนนั้นอาตมาทำํำให้เป็นบอกก่อปรสารปา ร, าริยสารก็ไปทําบทความหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ชีวิตของครูกรมันคิมทองครูโกมันิมทองเกถูกยิงตายเมื่อปี14แล้วก็ปี18อาตมาก็ได้มีโอกาสกลับไปที่บ้านที่ครูกรมันคิมทองเนี่ยเสียชีวิตถูกยิงตายแล้วก็ได้ไปพักในวัดนะซึ่งครูโกมันิมทองเคยไปเยี่ยมเยียนตรงนั้นเนี่ยมันปี18นี่เป็นช่วงที่เกิดการสู้รบ ก, กันพักใต้ตอนนั้นเนี่ยดุเดือดมากสงครามระหว่าววงคอมมิวนิสต์กับรัฐบาลเนี่ยรุนแรงมาก อาแต่มาไปพักที่นาซานนาซานนี่เป็นไม่ไกลประมาณสักเจ็แปกิโลเมตรเนี่ยจะดินเสียงระเบิดเสียงปืนใหญ่ยิงสู้รบกันระหว่างรัฐบาลกับคอมมิวนสิสต์ในช่วงนั้นเนี่ยคนแถวนาซานี่ถูกยิงตายเป็นศพอยู่บ่อยบ่อยบ่อยนี่ตกประมาณสักนนเดือนเนื้อไอสักศพสองศพไม่เหมือนภาคใต้เวลานี้ภาคใต้เวลานี้มั น, มนแรงกว่านั้น แต่ที่โน้นเนี่ยเป็นเกศสีชมพู <Nice. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาไปก็1เราก็ตกเป็นที่ระแวงสงสัยไหมของเจ้าหน้าที่รัฐ 2. บรรยากาศของการต่อสู้เรื่องความตายมันก็ทําให้เราเกิดความสะพึงกลัวก็เกิดคําถามขึ้นมาว่าเถ้าเกิดว่าเราจะต้องตายเนี่ยแล้วเราจะยอมรับมันได้ไหมจะตายด้วยด้วยผลใดก็ตามคือ ปกติก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นแต่พอไปอยู่ในบรรยากาศถึงนั้นเนี่ยบรรยากาศของความรุนแรงบรรากาศของคนตายบรรยากาศของโกงกิมทองที่ถูกฆ่าตายใจยไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้แล้วก็อยู่ในวัดซึ่งวัดเนี่ยก็เป็นวัดที่หลุงพ่อจำเนียนมาสร้างลุงพ่อจำเนียนกุลเศษรษฐโถวเนี่ยนะท่านก็มีประวัติในเรื่องของการพิจารณาอสุภกรรมฐานมันจะมีเรื่องพวกนี้มาเล่าให้ฟังที่ทำให้เราก็พผวา เวลาคิดถึงเรื่องความตายก็ทําให้เกิดคําถามมาไว้แล้วเราจะเผชิญรับมือกับมันได้อย่างไรถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นกับเราตอนนั้นตอนปีอะไรนะเจ้าก็ยังยังไม่ได้บวชยังไม่ได้บวชแต่นี่เป็นคือจุดหนึ่งที่เริ่มเริ่มอยู่จุดประกายใช่แล้วก็รุ่นตมันจะเป็นรุ่นที่ใกล้ชิดความตายอยู่บ่อยได้เห็นไหมคะได้เห็นความตายต่อหน้าก็เคยก็กลัวรถอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุกลางถนนแล้วเห็นศพแล้วก็ ตอนนั้นตั้งใจดูหรือว่าเบือนหน้าหนีเจ้าค่ะมันทั้งเบือนหน้ามันทั้งอยากดูเห็นแล้วแล้วก็มันก็ค้างมันติดตาอยู่นานอเพื่อนตมาคิดว่าคนเราเนี่ยมาต้องเจอพวกนี้วันอย่างค่ำแล้วเราจะหนีมันได้ยังไงตอนนี้มีทางเรื่องคิดแล้วเริ่มคิดแล้วก็ตรมาเนี่ยผ่านในการสิบสี่ตุลาผ่านในการหกตุลามีสูญเสียเพื่อนไหมเจ้าค่ะก็มี แล้วก็ก่อนโคกตุลาก็มีการรอบสังหารคนชาวนานักการเมืองกรรมกรช่วงปี 17-19 นี่มีคนถูกรอบสังหาร 20-30 คนเนี่ยคือบรรยากาศที่อาตมาอยู่ในบรรยากาศ อ, อย่างเงี้ยมันทําให้เราถามเรื่องว่าแล้วถ้ามันถึงเราหรือถ้ามันเกิดกับเราหรือถ้ามันเกิดกับคนอื่นคนที่เรารักเราจะทํำยังไงมันเป็นสิ่งซึ่งอาตมาคิดว่า คนรุ่นอาตมาเนี่ยนักศึกษาเนี่ยมันอดคิดไม่ได้เรื่องพวกนี้แล้วก็พอมาบวชเนี่ยพุทธศาสนาก็จะพูดถึงเรื่องของมรณสติพูดถึงเรื่องของความไม่เที่ของชีวิตความไม่เีของสังขารซึ่งก็ทําให้อาตมาเนี่ยก็เริ่มหามาสนใจเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆมากขึ้นกับตอนที่ได้เห็นหนังสือเล่มนึงชื่อเรื่อง เป็นภาษาอังกฤษที่เบธานบุ๊กออฟลิฟติ่ง d อนด์ดของโซเกียร์โปเชซึ่งเป็นนังสือที่มีชื่อมากในในตนตกนั่นประมาณปีสามเจ็ดเขาเป็นคนชาวอะไรอ๋อเป็นทีเบตเพราะฉะนั้นตีพิมพ์มาเป็นภาษาอังกฤษอังกฤษแล้วก็ได้รับความนิยมมากในยุโรปอเมริกาใช้ภาษาที่ไพเราะแล้วก็รวดสบายไปเจอหนังสือเล่มนี้ที่ไหนมีคนแนะนํามีเพื่อนที่อเมริกาแนะนําแล้วก็มาให้ยืมอ่านเป็นหนังสือเล่มนี้ได้รับความชมมากแม้กรั่งในหมู่แพทย์หลวงชาวพุทธ ก็เลยสนใจที่แปลอัตมาก็เริ่มแปลง่ะปี3ามเเล่มแรกนี่ภาษาอังกฤษชื่ออะไรนะเจ้าค่ะชื่อที่เบทเทิล o ุ of ออฟิฟฟแลนดแล้วท่านมาเปลี่ยนเป็นไทยเป็นประตูสู่สภาวะใหม่แต่ยี่มันคือภาคสองของเล่มนี้นะภาคแรกคือจากใจถึงใจจากใจถึงใจคือบทหนึ่งในประตูสู่สภาวะใหม่เป็นบทแรกของประตูสู่สภาวะใหม่ซึ่งทางกุมกิมทองเขาแยกออกมาพิม เพราะมันอ่ายง่ายบทนี้แล้วก็ทําให้ตมาได้รับประโยชน์เป็นส่วนตัวจากหนังสือเล่มนี้มากแล้วก็คนที่เขาได้อ่านเขาก็ได้รับประโยชน์อย่างที่ตมาก็นึกไม่ถึงการเปน็นหนังสือซึ่งทั้งที่เล่มตาแล้วก็อ่านยากแต่ว่าใช่เจ้าค่ะก็ต้องตีพิมพ์หลายครั้งที่บอกว่าเขาได้รับประโยชน์นี่คือเขาม า, อาบอกเล่าหรือยังไงใช่เขาบอกเขาบอกว่าเนี่ยเขาเอาวิธีการก็แนวคิดของหนังสือเล่มนี้ไปใช้กับญาติของเขา ซึ่งกำลปล่วยนะักอย่างเช่นการช่วยผู้ป่วยเนี่ยเขาตายอย่างสงบโดยให้ความสมํำคัญกับเรื่องของการปลดเรื่องสิ่งค้างคาใจอะไรที่ค้างคาใจเนี่ยต้องให้เขาปล่อยวางให้หมดคุณโซเกียนนี่เป็นนักบวชหรือว่าเป็นเป็นนักบวชก็เรียกว่าเป็นพระชาวทิเบตเป็นพร ะ, ะแล้วก็ได้ถ่ายทอดเรื่องอย่างนี้ออกมาเขาเป็นการขยายความจากคัมภีบาลนัสสาของทิเบตที่มีชื่อมาก คอมพิร์นันชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าที่เบ o เทิลบุ e กออนะซึ่งเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องว่าภาวะใกล้ตายและภาวะก่อนตายภาวะขณะที่กำลงังจะตายแล้วก็ภาวะหลังตายหลังตายหลังตา ย, ายด้ว ย, ย, วยแล้วพูดด้วยว่าแม้กระทั่งจะช่วยคนนะใช่ว่าคนกันคนที่อยู่ในภาวะหลังตายได้อย่างไรให้ก็ได้รับการผลพน หนังสือเล่มนี้พี่ชื่อเป็นภาษาทิเบต น, นะถ้าแปลเป็นไทยก็บอกว่ามหาวิมุตติมหาวิมุตติด้วยการฟังคือเขาเชื่อว่าแม้ทั้งตายไปแล้วก็สามารถจะหลุดพ้นได้เข้าสู่นิพพานได้ด้วยการฟังคัมภีร์นี้เพราะฉะนั้นคำพีนี้เนี่ยก็จะอ่านให้กับคนตายไปแล้วเพราะเังเชื่อว่าในช่วงที่คนตายเนี่ยเขาอยู่ในภาะวะยังไม่เกิดอันตรภพเนี่ย อยู่ใพร่ำตรร พ, พคืยังไม่เกิดคือพ้นจากภพนี้ไปแล้วแต่ว่ายังไม่สู่ภพใหม่นี้เรียกว่าอันตรร พ, พคือภพระหว่างกลางเนี่ยยังมีโอกาสที่จะหลุดพ้นได้เข้าถึงนิพพานได้แสดงว่าเขายังวนเวียนอยู่ใกล้ๆดิใช่พวกเราตรงนั้นแล้วเราสามารถที่จะถ่ายทอดไปได้สามารถที่จะได้ยินเขาได้ยินได้ยินบทสวดมนต์คือเราไม่รู้ว่าเขาจะรู้ไม่รู้แหละแต่เราก็สวดให้แ ล, แล้วแล้วมีความเชื่อว่า เขาจะได้จ่ะตรงนี้เขาจะได้ยินแล้วเขาจะเกิดสติขึ้นมาที่จะเห็นที่จะทำให้เขารู้เท่าทันถึงสภาวะต่างๆในอันตรภพตอนนั้นเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเกิดแสงเกิดสีมีประสบการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับจิตในยามนั้นเนี่ยซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยถ้ามีสติก็จะรู้ว่ามันคือสิ่งที่สะทอนออกมาจากภายในจิตมันเป็นปรากฏการณ์จากจิต ซึ่งถ้าเกิดรู้ก็จะวางจิตให้เป็นปกติได้ไม่ตื่นกลัวแล้วก็ไม่ไม่หวังครอบครองหรือเข้าไปคลอเคลียกับมันสภาวะนั้นฉะนั้นเนี่ยสามารถจะเป็นพื้นฐานในการหลุดพ้นได้หลุดพ้นได้เลยหลุดพ้นเดี๋ยเดี๋ยวเขาชื่อแบบนั้นนะท้งเทรวาเนี่ยไม่ได้พูดถึงเถรวาทจะพูดเฉพาะว่าในช่วงภาวะที่ใกล้ตายหรือภาวะที่ขนาดที่กำลังจะตายเรืยอว่สันกรรมจิตสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นเนี่ย สามารถจะหลุดพ้นได้เป็นขณนะที่มีพลังในการเทียบให้ทําให้จิตเนี่ยเกิดความหลุดพ้นเพราะเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ได้ในทางเทรวานี่จะพูดตรงนี้ไว้<ะ> <mandatory. S 2> อาจารย์พุทธทาสก็จะเรียกว่าเป็นนาทีทองของชีวิตแต่ว่าที่เบสเขาไปไกลตรงนั้นคือว่าบอกว่าเนี่ยแม้กระทั่งตายไปแล้วนะถ้ายังไม่ไปเกิดใหม่ก็ยังมีโอกาสหลุดพ้นได้แต่เป <is> อร์เซ็นต์น้อยนะเขาก็ยอมรับเปอร์เซ็นต์น้อย แต่ว่าก็เป็นประเพณีของทิเบตที่จะอ่านให้ฟังลบคลายและที่จะเป็นคนพิสูจน์ได้ก็ไม่มีแต่ว่าคือเขาก็เชื่อว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านมีอภิญญาอย่างที่พระอนุรุทธะเนี่ยท่านก็มีจิตอย่างเห็นถึงภาวะจิตของอะไรเกิดขึ้นพุทธเจ้านี่ยค่ที่ท่านกำลังจะดับไปใช่ไหมก็เห็นเนี่ยอันนี้พระอนุรุทธาท่านมีญาณแล้วเราก็เชื่อว่าอภิญญาของพระอรหันต์บางรูปเนี่ยสามารถจะทําให้อย่างรู้ถึงความจริงข้อนี้ ซึ่งทำให้ท่านเหล่านั้นเอามาเขียนเป็นตำราได้ตอนนี้พออ่านตำราตำราเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่ได้เจอจริงๆเพอะท่านได้เริ่มมีการแปลตำราแล้วคราวนี้พอมาเจอสภาพจริงๆมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงเจ้าคะ่ะประสบการณ์ตมาใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็ตมาหลังจากที่แปลหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เวลามีคนจะใกล้ตาย ญาตมีเขาก็มาขอให้ไปนําทางให้เริ่มนะคะพอเขียนตําราแสดงว่าต้องมีคามเชี่ยวชนาญเฉพาะระดับหนึ่งก็ได้มีโอกาสไปพูดนําทางให้ให้กับผู้ใกลตายรายแรกนี่เลยเป็นอะไรเจ้าคะ <c oughs> ก็เป็นแม่ของเพื่อนนะเป็นแม่ของเพื่อนซึ่งซึ่งเป็นมะเร็งอายุก็ไม่มากหรอกห้าสิบได้แล้วก็ตอนที่ยวตาไปก็เริ่มจมากโคม่าแล้วคือเราเชื่อว่าผู้ป่วยก็จะรับรู้ถึง ตันที่ทโรงรพยาบาลหรือที่บ้านที่โรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลหน<ล><ช>ึ่เรามีความเชื่อว่าแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็หลักฐานมากมายที่ชี้เห็นว่าผู้ที่โคม่าแล้วเนี่ยเขาสามารถจะรับรู้เขาสามารถจะได้ยินหรือแม้กระทั่งเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเขาได้ตั้งแตที่ตา<ม>เขายังหลับทั้งที่เขาหลับตาเขาไม่ตอบสนอง อันนี้ถ้าสนใจก็จะจะพูดได้อีกยาวนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้คือว่าอาตมาก็จะก็ไปพูดนำแล้วก็การพูดชช่นนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยมันช่วยช่วยทำให้ญาติทำให้ลูกเนี่ยเขามีความปล่อยวางได้คือบรเยโยยาจิตใจของของคนที่เป็นญาติได้ในสองเนี่ยเราไม่รู้ว่าผู้ป่วยเนี่ยเขารับรู้หรือเปล่าแต่ว่า มันก็หลงเอ่ยว่าเขาไปอย่างสงบแล้วก็ถ้านเจตมาทราบก็หลายคนที่เขาเอาแนวคิดและวิธีการของหนังสือเล่มนี้ไปใช้เขาก็ได้รับความพอใจหรือเขาก็รู้สึกว่ามันเวิร์กมันได้ผลอย่างน้อยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดความเปลี่ยนแปลงคือว่าไอ้ที่เคยร้องหฮมร้องไห้ตอนหน้าข้างๆเตียงคนป่วยหรือว่าแม้ทั่งเมื่อเขาหมดลมแล้วเนี่ยจะไปทําอะไรกับสมเนี่ยตอนหลังเนี่ยหลายคนเขาก็ก็ไม่ทํา แม้กระทั่งเอาหมดลมแล้วเนี่ยก็ยังมีการกล่าวคํานําทางให้กับผู้ตายบรรยากาศความสงบเนี่ยก็เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นว่าแม้รราการะทั่งไม่ว่าจะก่อนตายหรือหลังตายเนี่ยบรรยากาศอย่างความสงบก็สําคัญเราไปคิดว่าเ้าตายแล้วเขาไม่รับรู้อะไรเราจะไปทําอะไรกับศพไปทําอะไรกับล่างก็เนี่ยมันก็ไม่น่าจะถูก mm hmm. นะเพราะว่าในเพราะว่าจิตนะเนี่ยจิตก็ยังอาจจะรับรู้อะไรได้ถ้าเกิดว่าญาติเนี่ยสามารถพูด